เรื่องวิธีการให้ถือเสนาสะนะเป็นต้นครั้งนั้นภิกษุเจ้าหน้าที่ที่จัดแจงให้ถือเสนาสะนะทั้งหลายปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราจะให้ภิกษุถือเสนาสะนะอย่างไรหนอ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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้ภิกษุที่อยู่นอกสีมาถือเสนาสนะรูปใดให้ถือต้องอาบัตทุกกฏสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแล้ว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 เราอนุญาตให้ห่วงไว้ได้ตลอดสามเดือนฤดูฝนแต่เจาห่วงไว้ตลอดฤดูกาลไม่ได้